ูเฉพาะตนโดยดังตรินตอนแม่ลูกอ่อนขี้งุดหงิดลมโชยโรอยแผ่วนานแล้วแม่ทาลูกไม่ได้กลับมากรณีเฉพาะตนของสงบสันติอาชีพนักอักษรศาสตร์ลักษณะงานที่ทำ กำลังเป็นแม่บ้านที่ต้องดูแลลูกน้อยชั้นอนุบาลและประถมมีเด็กทำงานบ้านแต่ก็ต้องจัดการเองด้วยเป็นบางครั้งนอกจากนั้นก็ทำงานที่บ้านกำลังหัดสร้างบล็อกภาษาอังก ฤ, ฤษเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญทางศ า, า, น า, านสนาคำถามแรกระหว่างทำบล็อกจะมุ่งอยู่ที่งานบนจอคอมพิวเตอร์ ใจร้อนอยากทำให้เสร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ในแต่ละวันอย่างนี้จะเจริญสติได้อย่างไรอันดับแรกต้องบอกตัวเองครับว่าความกระตือรือร้อนเร่งทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายนั้นจัดเป็นของดีและควรมีให้มาก เนื่องจากชิ้นงานดีๆและไอเดียเด็ดๆมักจะเกิดจากใจที่กระตือรือร้นไม่ใช่มาจากใจที่เฉื่อยชาที่สำคัญคือถ้าทำงานเสร็จได้รวดเร็วถูกต้องและมีคุณภาพเยี่ยมก็จะทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มเต็มเชื่อมั่นในความสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นเหตุให้จิตเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะใหญ่ๆ จิตที่ตั้งมั่นอันเกิดจากการทำงานด้วยความกระตือรือร้อนนั้นจัดเป็นสมาธิแบบโลกโลกคือคุณจะรู้สึกว่าหูตากว้างขวางขึ้นรับรู้เกี่ยวกับตัวเองและสิ่งรอบข้างได้ชัดขึ้นนั่นแหละสะท้อนถึงภาวะของจิตที่ใหญ่ขึ้นมีความนิ่งมั่นคงไม่ซัดสายสงบจากความฟุ้งซ่านไปชั่วขณะ และถึงแม้สมาธิจิตแบบโลกโลกจะยังคงคุกรุ่นอยู่ด้วยกิเลสในอกเราก็สามารถเอาไปต่อยอดเป็นการเจริญสติได้คือแม้จะรู้สึกได้ถึงความสงบชั่วขณะหนึ่งคุณก็จะรู้สึกว่าในหัวเกิดคลื่นความคิดเป็นระลอกระลอกหรือไม่ก็เกิดแรงดันในช่องอกเป็นช่วงช่วง อาจเป็นแรงดันอันเกิดจากความอิ่มใจที่ทำงานเสร็จหรืออาจเป็นแรงดันอันแสดงความทยานอยากสร้างผลงานใหม่เพื่อต่อยอดความก้าวหน้าให้แก่ตนเองถ้าเห็นความไม่เที่ยงเดี๋ยวมีสิ่งหนึ่งเกิดเองเดี๋ยวเห็นสิ่งนั้นดับเองสติก็จะเจริญขึ้นและพบว่าจิตสงบประณีตามลำดับแตกต่างจากสมาธิแบบโลกโลก กลายเป็นสมาธิอันเกิดจากการเห็นความไม่เที่ยงภายในกายใจตนเองสรุปคือความกระตือรือร้อนในการทำงานไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจเพราะเป็นฐานให้เกิดสมาธิแบบโลกโลกซึ่งอาจต่อ ย, ยอดมาเจริญสติได้แต่อย่างไรก็ตามความกระตือรือร้อนของคนทำงานแบบโลกโลกนั้นง่ายที่จะหลุดจากกรอบของความพอดีคือกระตือรือร้อนจนเครื่องร้อน ใจร้อนเร่งอยากให้เสร็จเสร็จซึ่งถ้าไม่เสร็จไม่ได้อย่างใจก็เกิดความงุนง่านแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกทำงานแบบอยากให้เสร็จในรวดเดียวจะเพื่อความสบายใจจะเพื่อทันกำหนดหรือเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองเก่งอย่างไรก็แล้วแต่แทนที่จะเกิดสมาธิจากการทำงานคุณกลับจะฟุ้งซ่านจัดสัดสาสสุดๆไปเส้นนี้ ท่องไว้ว่าส่วนเกินของความกระตือรือร้อนนั้นจะทำให้งานลวกขาดคุณภาพแถมจิตยังพังฟุ้งซ่านจัดจนไม่อาจเอามาต่อยอดเป็นการเจริญสติเพียงทำความเข้าใจไว้อย่างถูกต้องถ่องแท้ตามเหตุผลทางจิตเช่นนี้ก็เกือบจะเป็นการเจริญสติไปในตัวแล้วกล่าวได้เช่นนั้นเพราะ อ, อะไรเพราะเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานแล้ว พอเครื่องร้อนหรือเกิดแรงดันจากในอกที่เกินพอดีคุณก็จะเกิดสติระลึกได้ว่านี่เป็นเหตุให้เสียงานเสียจิตไม่มีอะไรดีสักอย่างใจคุณจะสงบเย็นลงวูบหนึ่งแล้วเกิดท่าทีใหม่ๆกับงานเดิมเช่นคิดว่าไม่เสร็จก็ไม่เสร็จแต่นาทีนี้ทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็แล้วกันส่วนที่เหลือค่อยทําพรุ่งนี้ชั่วโมงหน้า หรือนาทีต่อไปยังไม่สายแต่ถ้าสายก็แปลว่าคุณแบ่งเวลาไว้ไม่ดีต้องให้เป็นบทเรียนในการวางแผนกันใหม่เมื่อสังเกตอยู่อย่างนี้ในที่สุดคุณจะฉลาดทางอารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆและพบกับภาวะของจิตที่ดีที่สุดที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกระทั่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆโดยแทบจะไม่ต้องอ่านคู่มือเทคนิคการทางานจากไหนเพิ่มเติมเลยสักเล่มเดียวครับ เพราะจิตที่มีคุณภาพย่อมขุดเอาศักยภาพทั้งหมดในตัวออกมาใช้และเรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะการทำงาน ย, งยิ่งขึ้นไปได้เอง คำถามที่สองบางครั้งหงุดหงิดเวลาดูแลลูกตพรลูกค่อนข้างเอาแต่ใจไม่อยากถูกควบคุมหรือชี้นำอย่างนี้ดิฉันจะเตือนสติตัวเองอย่างไรดีก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่าเราเป็นอย่างไรลูกก็จะซึมซับกระแสจากเราไปอย่างนั้นเราใจร้อนลูกก็ใจร้อนตาม เราหงุดหงิดง่ายลูกก็หงุดหงิดง่ายตามแต่ถ้ากระแสความเป็นคุณอยู่ฝ่ายเมตตาลูกก็จะใจเย็นตามไปด้วยพอคิดอย่างนี้คุณจะมีแก่ใจอยากเสียสละยอมระงับอารมณ์เพื่อลูกครับลองสังเกตเถอะถ้าใจร้อนในการทำงานเวลาเลี้ยงลูกก็จะปล่อยใจร้อนไปด้วยฉะนั้นถ้าคุณเปลี่ยนนิสัยในการทางานได ก็จะเปลี่ยนนิสัยในการเลี้ยงลูกไปในตัวไม่มากก็น้อยในช่วงเริ่มเจริญสติที่ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดนักผมให้สูตรสําเร็จไว้ท่องง่ายๆอย่างนี้ก่อนคือถ้ายังขี้โมโหอยู่ความโกรธมีไว้ให้ห้ามไม่ใช่มีไว้ให้ดูต่อเมื่อโมโหน้อยลงแล้วความโกรธจึงมีไว้ให้ดูไม่ใช่มีไว้ให้ห้าม ขอขยายความอย่างนี้นะครับถ้าคุณยังรู้ตัวว่าอยากตีลูกหรือดุด่าว่ากล่าวลูกแรงๆหรือแม้แต่อยากเอ็ดให้เขายอมเชื่อฟังด้วยน้ำเสียงที่แข็งกระด้างอันนั้นแปลว่าเกิดความโกรธแรงในระดับที่ต้องห้ามใจแล้วอย่าเพิ่งปลดปล่อยให้ความร้อนพุ่งไปกระทบลูกผ่านมือไม้หรือน้าเสียงแน่นอนว่าการควบคุมตนเองห้ามใจตนเอง ย่อมก่อให้เกิดความอึดอัดคับข้องหรือสติขาดไปชั่วขณะคล้ายใจโดนโปด้วยก้อนหมอกทึบๆสักก้อนคุณไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่ารู้ว่าห้ามใจแล้วเกิดอะไรอย่างนั้นขึ้นขาดสติก็ขาดสติชั่งมันแต่พอเกิดสติใหม่ก็ค่อยรู้ค่อยดูว่าก้อนหมอกทึบๆจางตัวลงมากน้อยเพียงใดแล้วแต่หากความโกรธเกิดขึ้นเพียงแผ่ รู้สึกครุ่งคลานเหมือนเลือดสูบฉีดแรงกว่าปะกะตินิดหน่อยยังไม่ถึงขนาดอยากขึ้นเสียงหรือลงมือลงไม้กับลูกอย่างนี้ให้ดูเฉยๆดูแล้วจะเห็นความโกรธหายไปซึ่งถึงตรงนั้นก็ให้พิจารณาว่าสิ่งใดหายไปสิ่งนั้นย่อมไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวคุณ ไม่มีใครดูความโกรธเป็นตั้งแต่ครั้งแรกต้องดูหลายครั้งจนได้ค้อบเปรียบเทียบคุณจะพบว่าความโกรธแต่ละครั้งต่างกันเช่นคราวก่อนยังคิดมากเหมือนเต็มไปด้วยฝ้ามัวบทบังหรือเต็มไปด้วยความสงสัยว่าจะดูยังไงให้ถูกจุดคราวต่อมาคิดน้อยลงจึงรู้จักความโกรธเข้าไปชัดๆัดมากขึ้นและเห็นเหตุเห็นผลว่ายิ่งรู้อย่างเงียบเชียบเท่าไร ความจริงเกี่ยวกับความโกรธก็จะปรากฏมากขึ้นเท่านั้นหลายครั้งเข้าก็จะเกิดปัญญาเกิดความรู้ชัดว่าทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ปฏิกิริยาทางใจปฏิกิริยาทางใจเกิดจากสิ่งกระทบไม่มีความโกรธอยู่ก่อนไม่มีความโกรธใดตั้งมั่นถาวรจึงไม่มีตัวเราผู้โกรธไม่มีอะไรน่ายึดมั่นถือสาสรุปแล้วพอถึงจุดหนึ่ง คุณจะย้อนกลับมาขอบคุณลูกที่ทำให้คุณมีโอกาสเห็นความโกรธหรือความขัดเคืองได้บ่อยๆครับ